วันนี้เป็นวันที่สามพฤศจิกายนพุทธศักราช2553หวันออกพรรษาวันที่23ตุลากระถินของเราพวกเราวันที่ส1อดตุลาในวันนี้ก็พระนว ก, กะก็เด้ลาสิกขาไปทั้งหมดเจ็ดวันไปลาสิขาเมื่อวันที่หนึ่งองค์ แล้วก็วันนี้ลาศิกขาไปหกแล้วก็ ก, การลาศิกขาบางแห่งบางสำนักโดยมากที่จะลาศิกขาหาวันหาลึกหายามหรืองามยามดีพระสุขพระเสาพระราหูพระอังคารพระทิพระจันแสกกันไปแส ก, กันมาที่เขาพูดกันนะแต่หลวงพ่อก็ไม่รู้หรอก ลุงพ่อว่าสำหรับลุงพ่อเองเอาเลิกที่สะดวกเลิกที่เหมาะสมอันนี้คือพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราที่ได้ลาสิกขาไปแล้วไม่ว่ารุ่นเก่ า, ารุ่นปัจจุบันหรือรุ่นอนาคตถ้ามาสู่วัดของลุงพ่อลุงพ่อจะให้เลิกงามยามดีทุกเวลาลุงพ่อศึก ให้ลาศิกขาเมื่อไหร่ถ้าพวกเราพร้อมใจกันแล้วก็มากล่าวลาศิกขาหลวงพ่อจะให้เลิกดีทุกคนให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแต่ให้ทำดีนะถ้าพวกท่านทั้งหลายทำชั่วเมื่อไรนั่นแหละพวกท่านจะได้รับความชั่วเลิกอืมก็ชั่วไปด้วยเพราะว่าหลวงพ่อให้เลิกดีแล้วแต่พวกเราไปทำความชั่วซะเองหลวงพ่อช่วยไม่ได้ เพราะเหตุไรเพรหลวงพ่อให้เลิกดีแล้วแต่วพวกเรากลับไปทําความชั่วแสดงว่าเอาเลิกงามยามดีของหลวงพ่อเนี่ยไปปุยยี่ปุยยำไปใส่เหล้าใส่บุหรี่ใส่คัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนอาบาใบยมุกทุกอย่างเลิกของหลวงพ่อก็เลยพลอยเสียหายไปด้วยเสียหายอย่างผลปี้อีกต่างหากแล้วจะมาตําหนิเลิกของหลวงพ่อไม่ได้ เพราะว่าเหตุไรเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายที่เอาไปเอาเลิกดีๆของหลวงพ่อไปแล้วไปทำความชั่วเสียหายให้แก่ตัวเองแล้วจะมาตำหนิเลิกหลวงพ่อได้อย่างไรพราะเลิกหลวงพ่อนี่ดูแล้วให้ดีแล้วทำดีขณะใดาคู่ใดเวลาใดเดือนใดปีใดเวลาไหนนั่นแหละเลิกดีเวลาดีคู่ดีขณะดีถ้าทำความชั่วคู่ใดขณะใดานั่นแหละ คู่ชั่วขณะชั่วเลิกชั่วแล้ ม, มันไปด้วยการทั้งหมดเพราะนั้นพวกเรามั่นใจหลักของพระพุทธศาสนากลําคือการกระทำถ้าเราทำดีแล้วจะไปชั่วได้อย่างไรถ้าเราทำชั่วแล้วจะไปดีได้อย่างไรแต่บางคนก็บอกว่าผมก็ทำดีอยู่แต่ว่ามันมันทำไมจึงได้รับผลเลวร้ายอย่างนี้ อันนี้เราต้องคิดในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาในชาติเดียวชาตินี้ชาติเดียวมันมีอดีตชาติอย่างพระโมกขาลายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเกิดมาพบในชาตินี้ท่านมีแต่มความดีอยู่ตลอดเลิกดีอยู่ตลอดแต่ท่านทาไมจึงถูกฆ่าทาไมถึงถูกโจรฆ่า ทั้งที่ท่านเป็นอัครสาวกเป็นพระผู้ใหญ่มหาเถระของพระพุทธเจา้าพระโพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติของพระโมกคลาเขาทำกลํมไว้ไม่ดีเขาได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านเพราะนั้นกลัมตัวนั้นน่ะกรรมคือการกระทาตัวนั้นน่ะตามสนองติดตามมาเรื่อยๆ เ, เหมือนกับเราไปฆ่าคนทางภาคใต้แต่เรามาอยู่น้องคายอย่างนี้ แต่มาอยู่น้องคายได้สร้างคุณงามความดีมีอะไรทําหมดช่วยสงเคราะห์ อ, อหนุเคราะห์คู่คนเป็นที่ยอมรับของคนน้องคายคนน้องคายเชิดชูบูชา ว, ว่าเป็นคนดีแต่พอมีชื่อเสียงขึ้นมานตำรวจทางภาคใต้เขาก็ตามขึ้นมาแล้วมาดูว่าเอ๊ะไอ้ น, นี้เป็นคนที่มันเคยทำความชั่วมีคดีความอยู่ทางภาคใต้หรือเปล่าแต่พอมาถึงที่นี่เขาก็จับ ลงโทษลากคอลงไปเลยว่างั้นแต่ถ้าคนหนองคายก็จะตําหนิว่าทําไมคนคนนี้เขาทาคุณงามความดีไม่มีที่ตําหนิเลยแต่ทํำไมเออตําตรวจจะไปทําความชั่วช้าเสียหายกับคนคนนี้แต่เขาหารู้ไม่ว่าคนคนนี้น่ะเขาไปข่าทําไม่ดีไม่ร้าย ทำผิดกฎหมายอยู่ทางภาคใต้แล้วขึ้นมาอยู่น้องขายสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราให้ศึกษาว่าการทำกรรมดีและกรรมชัว่วไม่ใช่อยู่ในปัจจุบันเท่านี้เป็นอดีตกรรมก็มีปัจจุบันกรรมก็มีเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างอาดีตกรรมก็จะให้ผลในปัจจุบันเพราะมันมาให้ผลอย่างที่ว่า ไปทจากที่อื่นมาแล้วมาอยู่ที่นี่เป็นคนดีแต่กรรมที่ไปทำในอดีตนั่นะมันมาให้ผลมันยังให้ผลอยู่เขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางตามคดีความโรืตามกรรมชั่วของแต่ละคนเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาธรรมอากตังลุกตังเซโยปรชาชตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นจะต้องติดตาม มาให้ผลเราเมื่อภายหลังเมื่อกำชั่วมาถึงแล้วนั่นแหละตัวเองจะน้าตานองหน้าแต่ในขณะที่ทําก็สะใจว่าตัวเองได้กระทาเป็นที่สะใจเราแต่เมื่อทําผ่านไปแล้วกรำชั่วตามมาให้ผลนั่นแหะพวกเราจะร้องหม่มร้องให้เสียอกเสียใจเมื่อได้รับผลกลับมานั้นเพราะนั้นพวกเรามั่นใจว่า การลาศิขาของเราก็ดีเป็นเลือกเลืกงามยามดีด้วยการทุกคนให้มั่นใจเยาวันไหวในการที่คนอื่นว่าเฮอเลือกไม่ดียามไม่ดีอันนั้นเป็นของพรามณ์ศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเราเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาต้องเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เมื่อทำชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไรในเมื่อทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรท่านไม่เชื่อหลวงพ่อก็ทดลองดูนะไปหาโหนหมอโหนหมอดูหมอเดาที่แม่นแม่นที่สุดเน่ให้ดูเลือกงามยามดีให้แม่นที่สุดเอาอนายกนี่แหละเลือกงามยามดีที่สุดคือเวลาสิบสองนาฬิกาห้าสิบนาที ยี่สิบวินาทีเนี่ยแหละเป็นหลอดตีของคุณเอาถ้าไปทําเลยนะจะทํำสิ่งไหนก็ไม่ผิดทั้งนั้นอถ้าเราโมโหโกหาให้แก่ใครหรือวเราจะไปป้นไปจี้ไปคดไปโกงเราอยากจะได้เงินธนาคารเนีนยเขาก็ไปจี้เงินธนาคารหรือว่าเราจะไปฆ่าใครเขาฆ่าใครให้ถูกเวลาตัวนั้นสนะิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทาีแล้วก็วินาทีให้ถูกต้องที่สุด จดเสีกระดาษไปเล ย, ยงั้อนเถอะและไปทำเลยสิไปฆ่าเขาเขา้าไปป้นเขาเขา้าไปทำความชั่วเสียหายเขา้าและเป็นยังไงฆ่าทำถูกหลือกงามยามดีขนาดนี้ไม่มีทางที่จะตํารวจจะจับข้าวไปเจ้าได้ไม่สามารถที่จะลงโทษข้าวไปเจ้าได้ให้จับไปเลยท้าเขาอย่างนั้นดูสิแล้วเป็นยังไงผลออกมา เขาไม่ได้ว่าหลึกงามยามดีนะครับจับเข้าคุกได้ด้วยการทางนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำกรรมชั่วทำกรรมที่ไม่ดีเพราะนั้นพวกเราเชื่อมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าเชื่อมั่นในการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะจะเป็นคราวาสญาติโยมทุกหมู่ทุกเหลา่าที่ได้ฟังเื่อมาศึกษาธรรมะไม่ว่าที่ไหนก็เถอะนะ หลวงพ่ อ, อบอกฟันทงลงไปเลยว่าอย่าทําความชั่วถ้าทําความชั่วนั้นความชั่วจะให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังะไม่ต้องถือลือกงามยามดีหรอกลือกงามยามดีอยู่กับตัวเองทั้งหมดแต่ตัวเองทําความดีนะั่นแะเป็นลือกงามยามดีตลอดไปล่เวลาทั้งรับทั้งตื่นยืนเดินดังนอนทุกระยะบทคือดีทั้งนั้นถ้ า, าว่าทําความชั่วแล้วนั่นแหละความชั่วนั่นแหะ จะเป็นอัปมงคลถึงจะหาลึกงามยามดีโหลาสัตว์คนไหนก็เถอะทดลองดูอย่างที่หลวงพ่อวานแล้วจะเป็นยังไงเราท้าได้เลยเราพูดได้เลยเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาจับต้องได้มีหลักเป็นหลักเหตุผลวิเคราะห์ได้เหมือนกับวิทยาศาสตร์อย่างนั้นอ่ะดังนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านลูกหลานทุกคนนะ ให้ยึดมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพุทธังทำ ม, มังสังขังสระนาคัฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองชําระใจของพระองค์เป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนพระองค์ประกาศออกมาเลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่เกิดอีกแล้ว สิ่งที่จะทําให้เราเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากําจัดออกจากใจของเราแล้วชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วที่จะทําให้เราเวียนไหวตายเกิดนั้นคือกิเลสเรากําจัดออกจากใจแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมแล้วเมื่อพระองค์ได้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ประกาศธรรมออกมาพระธรรมคือคําสอน ออกมาจากใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมอันบริสุทธิ์แต่พวกเราได้คิดในพิจารณาไตรตรองเหตุและผลนะสิพระพุทธองค์สอนอยังไงทานนะมีประโยชน์อย่างไรถ้าคนขี้ตนีละ่ะตรงกันข้ามกันไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครไอ้คนหนึ่งให้ทานเสียสละมีเงินคําทรัพย์สมบัติมารู้จักเก็บรู้จักแบ่งปันแล้วคนหนึ่งขี้ตนีทีเหนียวไม่ยอมแบ่งปันให้แก่ใครพวกเรามองดูกันแล้วกันหลับตาดูกันแล้วกันว่า คนสองคนนั้นคนไหนจะกว้างขวางคนไหนจะมีความสุขกว่ากันในคนสองคนนั้นนะในทานเปน็นยางไนศินก็เหมือนกันคนหนึ่งรักษาศินห้าบริบูรณ์คนหนึ่งมีแต่กระค้มีแต่กองมีแต่จะป้นจะจี้ทั้งสองคนนั้นถ้าหากว่าเราไปเป็นลูกน้องหรือไปเป็นบริวารหรือจะเข้าเป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นที่เคารพนับถือของเราสองคนนั้นเราจะเข้าไปกลุ่มไหนใ น, ในใจของเรา อันนี้ก็เราต้องคิดดูถ้าคิดดูแล้วก็ต้องเข้าไปทางคนที่มีศีลมีธรรมจะได้เขาไปแล้วเขเยือกเย็นร่วมเย็นเป็นสุขนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ถูกไหมเออเรื่องฐานเรื่องศีลการเรื่องภาวนาทําจิตใจของตนเองทําใจยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิทําใจยังไงจึงเปิญมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เราต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน บริสุทธิ์ที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้เราก็นํามาเป็นกระจกเงาเรือเป็นแนวทางของเราเราจะเดินอย่างไรแต่ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนี่อันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราวิเคราะห์ อ, ออกมาแล้วเป็นมีหลักเหตุมีหลักผลอยู่ในนั้นพร้อมบริบูรณ์จากนั้นพระธรรมคําสอนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ได้ประกาศธรรมแล้วใครเป็นผู้นําพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาพระอริยาสาวกสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านได้นำพระธรรมของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นมาประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงจนได้มรุธรรมได้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกตาคานาคาอรหันหรืเรอเป็นพระสมุติสงฆ์เป็นผู้ทรงศีล ก็มีมากเป็นผู้เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นแนวทางะจากนั้นท่านก็ได้ออกมาปฏิบัติปฏิบัติทำนําคําสอนของท่านมามาบอกกล่าวให้แก่พวกเรานี่แหละพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นแนวทางเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะทุกท่านนะนํามาประพฤติปฏิบัติะ สติหลวงพ่อได้บอกกล่าวนาคหรือว่าพูดธิลาสิกขาหลวงพ่อว่าสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวคนที่มีสติสัมปะชัญญะนี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เปิดเข้าไปสู่คุณงามความดีเปิดเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าคน ขาดสติคนไร้สติคนไม่มีสติเหมือนคนเป็นบาไม่มีสติสตังไม่มีสติเลยเนะี่ยหรือสติน้อยมากหรือว่าความคิดน้อยมากความคิดสั้นมากสติสั้นมากอย่างนี้แล้วจะเป็นคนดีหรือจะเป็นพระเป็นคนที่คิดในถูกที่ถูกต้องนะไม่มีพูดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะขาดสติสามประชัญญะ วันนั้นสติสัมปชัญญะคํานี้แหละเป็นกุญแจดอกสําคัญดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปสู่มรรคผลนผิพพานระดับขั้นขึ้นไปดตุภการศึกษาของเราที่จะโดดเด่นขึ้นไปนก็ต้องอาศัาศยสติสัมปชัญญะในการศึกษาคนที่มีสติต้องมีปัญญาไปพร้อมๆกันจังหวัดสติสัมปชัญญะถ้าหาว่าพวกเราจะไปทางชั่วทีนี่ก็ขาดสติจะทํำยังไงก็กินเหล้าเข้าไป ินยาบ้าคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮทูอินโคงโคงโคเคนยาเมินเมายาเมายาบ้านะทั้งหลายทั้งปวงนะพอกินเข้าไปแล้วขาดสตินั่นแหละเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่หมุนเปิดเข้าไปสู่ความชั่วทั้งหลายทั้งปวงพวกเราคิดดูก็แล้วกันแปลว่านี่แหละกุญแจดอกสําคัญเปิดไปทางไปทางชั่วอันทึงเปิดไปทางดีคือสติสัมปชัญญะ แต่ถ้าเปิดไปทางชั่วเนะี่ยคือคนขาดสติเนีคนจะทําให้ขาดสตินั่นคืออะไรถ้ากินเหล้าก็าไปขาดสติขาดสติเข้าไปแล้วเนี่ยขาดสติตลอดไปเร่อเวลานั่นแหละทีนี้หาความดีไม่ได้เลยกับคนคนนั้นแปลว่าคนคนนั้นหมดคุณค่า อ, อไร้ประโยชน์ในชุมชนในสังคมและเป็นขยะของชุมชนและสังคมอีกต่างหากเพราะคนไร้สติเนะี่ยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อได้ยิน ทำคำที่หลวงพ่อบอกกล่าวเข้าไปเนี่ยให้พวกเราฟังแล้วก็ศึกษาศึกษาแล้วก็ไตรตรองด้วยเหตุและผลจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจในคำพูดของหลวงพ่อไวเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมพ่อของหลวงพ่อสอนลูกชายสามสี่คนของของพ่อหลวงพ่อเรียกลูกชายเข้าไปคนโตเข้าไปบอกเอ้ย พวกเธออย่ากินเหล้านะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยกำลังจะติดหมูติดเพื่อนนะกำลังจะกินเหล้านะแต่ทำอย่างอื่นทำได้อย่ากินเหล้านะถ้ากินเหล้าเมื่อไหร่ไม่ต้องเรียกพ่อว่าพ่อไม่ต้องเรียกเราว่าพ่อจะหนีไปที่ไหนหนีไปได้เลยเราเลี้ยงใหญ่แล้วพ่อเลี้ยงใหญ่แล้วเลี้ยงร่างกายใหญ่แล้วจะไปที่ไหนไปเลยอย่ามาเรียกอย่าเข้ามาใกล้พ่อและอย่ามาเรียกพ่ออีกไปเลยนะ พ่อยินดีให้ไปได้เลยแต่ถ้าอยากจะเป็นลูกพ่อเป็นคนดีแล้วหยุดจากกินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านะั้นเดี๋ยเป็นคนดีเนี่ยพูดกัน ร, รู้เรื่องแล้วจะเป็นคนดีต่อไปอันนี้เป็นคําสั่งของโยมพ่อของลูกพ่อนี่สั่งขั้นเด็ดขาดเลยว่างั้นนะลูกชายสามสีคนในสยบหมดเลยนะไม่มีใครแตะเลยว่างั้นนะเพราะท่านสั่งโดยเด็ดขาด น, ะนี่แหละอันนี้ท่านมองเห็นแล้ว เรามามาพิจรารณาเมื่อไหรเราก็ยังเชิดชูบูชาพระคุณของพ่อเราไม่ได้คิดว่าพ่อเนี่ยตัดสิทธ์ไม่ตามใจของคู่คนเอาแต่ใจตัวเองหลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นนะหลวงพ่อพ่อของเราเนี่ยมองเห็นอนาคตได้ไกลจริงๆถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นยังไง อ, อย่างที่โยมพ่อพูดจริงๆเนี่ยนี่แหละอันนี้หลวงพ่อจะแนะนาคาที่ โยมพ่อเนี่ยมาพูดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรศึกษาอย่างไรอันนั้นสุดแท้แต่อันนี้เป็นแนวทางให้เป็นทางเลือกทางหนึ่งเป็นแนวความคิดทางหนึ่งในการแนะนำในการบอกกล่าวแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกพ่อใช่ไหมก็ต้องเชื่อพ่อในชะ่หลวงพ่อไม่รู้รถเลยเลยครับคาว่าสุรานี่คืออะไรแต่สมัยเป็นเด็ก เขามาบวชแล้วก็ไม่ต้องว่ากันแล้วก็บวชแต่เล็กแต่น้อยอีกแต่โยมพี่ทั้งหลายสามสี่คนด้วยกันนวก็ไม่มีใครแล้วไนงะแต่โยมเป็นผู้ชายนี่แหละสรุปแล้วก็คือของเมินเมาสุราเนี่ยอย่าไปแตะกินเข้าไปแล้วมีถต่เสียหายไม่มีใครหรอกว่ากินชุลาน้อยหนึ่งใครเป็นคนว่าหน่อยหนึ่ง พอจิบเข้าไปแล้วก็มันมันเมาเราก็กินไปเรื่อยถลําไปเรื่อยพอความชั่วหนึ่งก็ดี2ก็ดีสก็ดีมีอยู่แล้วความชั่วอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นกําจัดตั้งแต่มันยดแรกตั้งแต่ขีแรกเลยอย่าให้มันมีแต่ถ้าว่าบุญกุศลก็ดีหนึ่งก็ดี2ก็ดี3ก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นความดีอื่น ที่ยังไม่เกิดก็ก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรส่งเสริมคือผ ล, ลไม้ต้นไม้ตัวนี้แนะ่ละเออต้นมะม่วงต้นนี้แหละเป็นพันธุ์ดีมันเกิดขึ้นมาแล้วต้นหนึ่งเราก็พยายามใส่น้ําใส่ปุ๋ยเ อ, อลดน้ําอย่าให้แต่ต้นไม้คนอื่นมาคุมเ อ, อแดดก็จะให้มันมากจนเกินไปพยายามทนุถนอมเลี้ยงดูต้นไม้ต้นมะม่วงตัวนั้น พันดีจากนั้นมันก็จะเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาออกดอกออกผลจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้ผลแก็บกับเราคือบุญกุศลแต่ถ้าว่าเป็นบร็เพสท์ที่นี่เอรียกว่าบล็อเพทก็ยังเป็นยานยแต่มันยิ่งร้ายกว่านั้นอีกท่นีหรออย่างต้นมะเขือบ้าอย่างนี้พอกินขึ้นมามันจะเป็นบ้าเนี่ยเราจะมาปลูกในที่ชุมชนสังคม และเราจะไปทะนทถนอมจะไปเลี้ยงขึ้นมามันก็เป็นต้นมะเขือบ้าใหญ่โตขึ้นมาพอคนไปกินใบไปกินหมากินผลกินดอกมันก็เป็นบ้าด้วยกันไงเหตุนั้นไม่ควรจะปลูกในที่สาธารณะควรจะไปปลูกที่อื่นหรือไปทิ้งไว้ที่อื่นจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เราก็ไม่ควรสนใจควรชำระสะสารอย่าให้มันเกิดในในกลุ่มนั้นอย่าให้มันเกิดในใจของเราพูดง่ายๆอย่าให้เกิดอยู่ใกล้บ้านของเรา เพราะเหตุใดเพราะมันเป็นพิษเป็นภยัยนี่แหละจะสรุปออกมา ก, ก็คืออากุศลคือความชั่วหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วอากุศลอื่นที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นมันจะแพร่พันธุ์ขา ย, ยายพันธุ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราควรจะจัดการตั้งแต่มันยังเป็นต้นเล็กๆอันนี้เป็นพิษเป็นภยัยเอาออ ก, อ, อ, กอย่าให้มันเกิดแต่ถ้าว่าต้นมะม่วงที่พันธุ์ดี ได้รับผลดีที่เราได้ทานมาแล้วมีคุณค่ามาแล้วมีประโยชน์แล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็พยายามส่งเสริมให้มันงอกเงยขึ้นแล้วจะได้ขยายพันธุ์ไปณนะสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขได้ร่มก็ร่มเย็นได้ดอกผลผลออกมาก็ได้รับผลมะม่วงหวานฉ่ำเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้านี้ก็เหมือนกันทาคาสอนของพระพุทธเจ้า คื่พวกเรานำมาพิจารณาดูแลท่านบอกความชั่วถึงจะนิดหน่อยก็ควรจะกาจัดออกทางด้านจิตใจถ้าว่าความดีแล้วควรจะส่งเสริมให้เกิดให้มีในด้านจิตใจของพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองความดีความชั่วคิดดีคิดชั่วเมื่อคิดดีคิดชั่วแล้วทาดีทำชั่วพูดดีพูดชั่วฮะมันต้องไปในแนวแถวนั้น ถ้าเราขืนพูดชั่วก็เหมือนขวานอยู่ในปากของเราไปเห็นใครก็สับฟันไปหมดไอ้ตัวเองไม่รู้หรอกแต่คนที่ถูกตับถูกฟันนั้นอ่ะเขาเจ็บใจไอ้ว่าเนี่ยทําไมพูดอย่างนี้ได้เไอ้ทําไมการพูดทําไมไม่คิดตะก่อนไอที่ผู้ถูกสับไปนั้นอ่ะมันเจ็บแต่ผู้ที่ฟันเนี่ยเฉยเมื่อก้าเราจับขวานไปฟันหัวเขานะ คนที่ฟันไม่ไมรู้สึกต่อคนที่จับด้ามขวานไปฟันหัวเขาแต่คนที่ถูกขวานฟันน่นแหะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฟันหัวเราล่ะเอคิดดูสิมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาด่าให้แกเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องคิดดูให้ดีสักก่อนถึงจะพูดให้เจ็บปวดแต่ก็เป็นศีลเป็นธรรมฟังไปแล้วถึงจะเจ็บในขณะที่ฟันแต่เขาก็มาคิดโอ้โหถ้าเรา ถ้าไม่ถูกฟันหัววันนั้นน่เราคงจะไปฆ่าคนเราจะไปทําความชั่วเสียหายมากมายเลยแต่ไนี่โดนโดนฟันหัวซะเราได้สํานึกถ้าเขาไม่ฟันหัวเราฟันหัวนิดหน่อยขนาดนี้น่าหวาดีเลยล่ะเออเราจะได้ระวังระวังต่อไปภายภาคหน้าเขาก็จะได้สํานึกขึ้นมาอีกถ้าไม่โดนฟันหัวนิดหน่อยไม่โดนสันขวานทุบหัวนิดหน่อยเราก็คงจะฆ่าคู่ฆ่าคนทําความชั่วเสียหายเกิดขึ้น นี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการแนะนำสั่งสอนของเราตถาคตเนี่ยเราจะทำกับพวกท่านโดยที่ว่าไม่ทะนุถนอมเราจะทำแบบช่างหม้อทบดินกันนาบแล้วกันนาบอีกตีแล้วตีอีกนวดแล้วนวดอีกเพื่อจะให้ดินเหนียวนั้นเหนียวที่สุดแล้วก็ปั้นหม้อให้เป็นหม้อให้อยู่น้าให้หุงต้มหาอาหารได้ เพราะดินเหนียวเราจะไม่ทํากับท่านพวกท่านทั้งหลายด้วยความทะนุถนอมจับดินเหนียวมาแล้วก็มาปั้นมันจะเป็นหม้อได้ยอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบขนาดนั้น ล, ะล่ะแปลว่าท่านจะไม่ทะนุถนอมท่านจะก น, นาบแล้วก น, นาบีเพราะก น, นาบอะไร ก, น, ก น, นาบกิเลสอย่างที่ว่านะถ้าว่าไม่ถูกสันขวัญซะก่อนนะพวกเราก็คงจะไม่รู้ไม่สํานึกตัวถ้าถูกสันขวานขึ้นมาแล้วก็นั่นล่ะ ถึงจะนําไปคิดมปพิจารณาโอ้โหใชห่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจา้าเอที่หมู่พวกเพื่อนที่แนะนําสั่งสอนวันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงๆริงนํามาคิดนํามาพิจารณาตรายตองเหตุผลเมื่อไหร่เราก็ยกมือไหว้ถึงจะไม่ยกมือไหว้ต่อหน้ากันเรายกมือไหว้ทีหลักเพราะเหตุไรเพราะการได้ยินได้ฟังนั้นถึงจะเจ็บปวดในจิตในใจแต่ก็เป็นคุณงามความดีเป็นเครื่อง จะเทือนใจเป็นเครื่องสอนใจเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่ายมพ่อสอนลูกชายอย่างนั้น อ, อย่าเรียกพ่อนะถ้ากินเหล้าอย่างนี้ถ้าไม่ว่าขวานในปากก็จะว่าอะไรสับเลยเย่างนันแ ต, แต่พวกลูกได้ยินแล้วก็มาแล้วก็ยังยกมือท่วมหัวโอ้ถ้าพ่อไม่สอนขนาดนั้นนะพวกเราก็คงจะทะเลทลายถลําไปกับหมู่กับเพื่อนไม่รู้จะไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะโลกพวกวันนี้มันมีสิ่งที่ ย้าโยวนมีได้สิ่งที่ช่วยชาติเสียหายอย่างมากๆาที่เราตัดไปซะอย่างพอให้ตัดเนี่ยเราตัดไปซะเนี่ยเราก็เป็นคนดีเนี่ยเราก็ไม่มีโทษไม่ต้องห่วงว่าลูกไปกินเหล้าหรือไปถูกเขาฆ่าเขาตีเออหรือว่าไปท่าไหนที่ไหนเราก็ไม่ได้พิจกกังวลว่าลูกของเราคงจะไปกินเหล้าเออมันไปกินเหล้ากับเข า, ขเขาแล้วมันเมากลัวเขาจะตีกลัวเขาจะฆ่าไม่มี เพราะเหตุไรเพราะลูกของเราไปกินเหล้าอยู่แล้วม้องก็หายห่วงสำหรับพ่อแม่ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงวันนี้หลวงพ่อเองได้แนะแนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเลือกงามยามดีพวกเราอย่าไปหวั่นไหวเอี่ึกเวลาเท่าไหร่ทาไมเป็นอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายอย่าอย่าหวั่นไหวหเชื่อมั่นหลวงพ่อให้เลือกดีแล้วเลือกของพ่อเลือกดีแล้ว มีแต่พวกเราทำความชั่วเท่านั้นแหะถ้าทำความชั่วขึ้นมาลงพอ่อเรื่องของลงพ่อเนี่ยหดหายไปหมดแต่ถ้าเ่าพวกเรามันยังมีความชั่วอยู่ก็ให้ถึงว่าอดีตกรรมเหมือนพระโมกคลาทำกรรมไม่ดีในอดีตพวกเราจึงได้รับกรรมอย่าไปคิดว่าเพราะเหตุว่าเราลาสิกขาไปแล้ว ไม่อยู่ในเลือกงามยามดีถ้าเลือกงามยามดีขนาดไหนก็เถอะทาไปทำความชั่วแล้วก็อย่างที่ว่านั่นน่ะเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไม่ได้เลือกใครๆทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะทำความชั่วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะลูกหลานทุกคนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีรับพรอนุโมทนาให้พร